นั่งหลับบ้างนั่งตื่นบ้างเคลื่อนไหวบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปนี่แสดงว่าเราไม่มีสตตกะสัมปชัญญะแล้วแต่อะไรมันจะอยากมันก็ไม่เห็นผลชัดเพราะเราขาดสตทกะสัมปชัญญะถ้าเราจะกรรมฐานหมวดไหนให้ชัดเจนอารมณ์หมวดนั้นให้ได้จะไปลังเลสลับไปสลับมาถ้าสลังเลสลับไปสลับมาเรียกว่าไม่มีสาตกะสัมปชัญญะเข า, าสาเร็จยาก สมัมปัญาระดับที่สองเรียกว่าสปายะสัมปัญญาหมายถึงว่าอารมณ์ที่ที่เราปฏิบัติอยู่กรรมาฐานที่เราสมถารปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ความสบายับเราไม่ก็ความสะดวกก็ความที่เราปฏิบัติได้อย่างสนุกสนานไหมที่เราปฏิบัติได้คล่องตัวหัหยที่เราปฏิบัติได้อย่างไม่บอบไม่เหนื่อยเกินไปไหมท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 ร่างกายนี้มันเป็นรูปมันเป็นที่อยู่ น, นิจังทุกครั้งตาอยู่แล้ว <c oughs> เป็นหน้าที่ของเราอย่าให้อ น, นิจังทุกขังตาของรูปเนี่ยไปสร้างนามมารูปขึ้นมาอีกเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ถ้าเราปล่อยให้อ น, นิจังทุกขังตาไปสร้างนามมารูปขึ้นมาปับ๊บนามมารูปก็เป็นตัวฝังเป็นเหตุปัจจัยของทุกต่อไปอ่ะเป็นเป็นสมุทัยนะเป็นสมุทัยซึ่งอันนี้นจะแก้ยากขึ้นเพราะนิจังทุกขรังหน้าตาของรูปมันแก้ง่าย